น, นี้ก็เป็นวันแรกนะของเทศกาลสงการานต์สงการานต์นี้ก็เริ่มต้นกันวันนี้แหละเวลานึกถึงสงการานตะ์หลายคนก็รู้สึกถึงความชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจทั้งๆ ท, ที่เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนเป็นช่วงที่ ร้อนอามากมากนะแต่ความรู้สึก ข, ของคนจำนวนมากมันเป็นความเย็นกายเย็นใจที่เย็นกายกเพราะมีการรดน้ามีการสาดน้ำร้อนๆพอเจอน้ำนะก็รู้สึกเย็นอันนั้นคือเย็นกายนะแเย็นใจเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ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 ใส่บาทการเลี้ยงพระหรือว่าการที่ได้ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ลดน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้มันเป็นการแสดงความกตัญญูแสดงความรักความคารวะต่อผู้ใหญ่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 ความกตันอยู่ก็ดีหรือว่าการแสดงความเมตตาก็ดีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นบางคนก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้นะกราบเท้าพ่อแม่บุปการีหรือว่าได้ของพมาขอให้ท่านนะให้อโหสิกรรมให้ลูกบางคนก็มีความขุนข้องมองใจกับพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้ว่า จะชำระความรู้สึกผิดความไม่สบายจนนะใจนั้นได้อย่างไรนะก็ได้อาศัยช่วงสงการานนี้แหละอาศัยประเพณีนี่แหละนะที่ช่วยชำระจิตใจวางคนก็ได้ถือโอกาสบอกรักท่านไดนะ้กราบเท้าท่านหลายคนนะจะรู้สึกว่าอยากจะบอกรักพ่อแม่แต่ว่า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 ก็แต่สายประเพณีเทศกาลอย่างนี้แหละนะในการที่จะบอกความในใจกับท่านบอกรักท่านรวมทั้งขอขอมาท่านบางทีการขอโทษก็เป็นเรื่องที่พูดยากยิ่งพอมีอายุและวพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะขอโทษแม้กระทั่งพรหมแม่นี่เป็นเรื่องยากมากอาตอมาพูดได้ก็เพราะว่าเคยรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอได้ทําแล้วก็สบาย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 อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งของอประเพณีสงการซึ่งทํากันแต่ดั้งแต่เดิมแต่เดี๋ยวนี้มันก็กลายพันไปกลายเป็นเรื่องความสนุกสนานหรือว่าบางทีก็สนุกสนานเกินเลยจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเกิดความแค้นเคืองขึ้นมา แ, แทนที่จ ไ, ได้ความสงบใจก็กลายเป็นความรุ่มร้อนแต่ถ้าว่าเร า, เ ร, ารู้จักใช้ เทศกาลที้เป็นประโยชน์อย่างเทศกาลสงกรานต์มันก็ได้ทั้งความเย็นกายแล้วก็เย็นใจเย็นกายเพราะน้าเย็นใจเพราะได้ทำความดีจะว่าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่ทำให้จิตใจเราเย็นได้ท่ากับธรรมะหรือการทำความดีธรรมะนี่นอกจากจะช่วยทำให้จิตใจเย็นฉ่ำแล้วนะอย่าง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 ความโกรธความรู้สึกผิดหรือผู้รลงหลคือสะอาดจากกิเลสสะอาดจากความเป็นแก่ตัวถ้าว่ายังมีกิเลสยังมีความเป็นแก่ตัวหรือยังมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ยจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ร้อนรุ่มไม่มีอะไรที่จะชำระใจได้ดีกว่าธรรมะ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 ทำให้ความเป็นกนตัวลดน้อยถอยลงทำให้อัตราตัวตนเบาบางลงได้แต่ว่าถ้าเร า, าทำบุญก็ไม่เป็นการชำระใจให้สะอาดก็อาจจะได้ผลน้อยหรือว่าไอาทำให้เกิดความหมองมัวมากขึ้นก็ได้เรื่องแต่การให้ทานเนี่ยนถ้าเรา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 อันจะเกิดกับผู้อื่นนี่น้อยนะแต่ว่านึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวเองมากถ้าทำบุญเพราะอยากจะรวยอยากจะได้น้าด้ตาได้ชื่อเสียงได้ประสบความสาเร็จในการงานต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะได้อา น, นิสงส์น้อยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดนะกิเลสตัณหาลงไปเลย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 ถือว่าเป็นทานจริงได้ได้อ น, อ น, นิสงส์น้อยหรือบางส่วนสุขในภพหน้าก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วนะว่าให้ฐานพี่ไดไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์มีชาตนะิไปเกิดเป็นเศรษฐีร่ำรวยอันนั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของอของบัณฑิตนะหรือว่าผู้ฝ่ายทำอย่างแท้จริงตรงนี้พระส า, ารีบุตรก็เคยพูดไว้นะว่า บัณฑิตเมื่อให้ทานก็ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังอุปทิสศอุปทิสศก็คือโล ก, กียสุขก็คือสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าความสัมพันธ์ฉันปุตชนบัณฑิตเมื่อให้ทานไม่ได้ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังอุปทิสุขหรือหวังพบใหม่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 หวังกระจัดกิเลยก็หวังกระจัดความเย็นแต่ตัวความยึดในตัวกูของกูหรือว่าอัตราตัวตนนั่นเองไม่ก่อเพราะคือมุ่งนิพพานไปเลยไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนหรือไปเกิดเป็นเทวดาทั้งสิน้นเกิดเป็นจกักรพรรดิคนร่ำคนรวยก็ไม่เอาแต่ว่ามุ่งที่พระนิพพาน คือการไม่เกิดอีกนิพพานนี้ก็เข้าถึงได้ก็เพราะการลดการละการสละวางอย่างสิ้นเชิงนั่นเองเองจะได้ว่าเนี่ยถ้าให้ทานเป็นนะก็จะมุ่งประโยชน์กับผู้รับแล้วก็ปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยที่จะเข้าตัวหรือว่าถ้าจะมุ่งก็มุ่งไปที่โน้นเลยนะพระนิพพานซึ่งเกิดจากการที่สละตัวตน อย่างสิ้นเชิงคนสมัยก่อนนี้ถ้าจะมุ่งหวังเรือทิศฐานก็มุ่งจิตปณิพาน์อย่างเดียวเลยนะเวลาใส่บาตก็อธิษฐานนี่พานาปัาปจญภูโโตุคอยเป็นปัจจัยไปสู่ปณิพานไม่ได้หวังไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยแล้วขอให้มั่งมีแต่คนสมัยนี้เวลาอธิษฐานเวลาใส่บาตพระนี่ นับวัจะอธิษฐานนานขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเพิ่เดียวก็เสร็จละเดี๋ยวนี้อธิษฐานครึ่งนาทีบางควรอธิษฐานเป็นนาทีเลยก็รูละแต่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขทั้งโลกโลกที่อยากจะได้หรือที่พระสัยเลบุเรียวว่าอุปัติสุขหรือโลกียสุขนี่าเราให้ทานเป็นนะมันก็เป็นการฝึกจิตปล่อยวางไปในตัวด้วยปล่อยวางทั้ง สิ่งของที่เราถวายต่อหน้าต่อตาเราคือไม่ยึดไม่ยึดมาเ ป, ป็นของเราแล้วแล้วก็ปล่อยวางกิเลสตัณหาที่อยากได้โน่นได้นี่การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันการรักษาศีลนี่ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึงนะ่งบุญกิริยาก็มี3มคือทานศีลภาวนา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 ความโกรธซึ่งจะนำไปสู่การฆ่าหรือว่าการหรือว่าโรคซึ่งนำไปสู่การลักขโมยตันหาที่นำไปสู่การผิดศีลโทสะที่นำไปสู่การใส่ร้ายการพูดทาหยาบหรือการโกหกเพื่อเขาได้เสียประโยชน์แล้ ว, วความหลงนะที่เกิดจากการดื่มน้ำเมาสุรายาเสพติด การรักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นการฝึกให้เราเอาชนะกิเลสไม่ให้ใจนี้เข้ามาถูกครอบงําด้วยโลภโกรธหลงแต่แม้กระนั้นเนี่ยรักษาศีลไปกิเลสก็อาจจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้เหมือนกันนะโดยพอคนที่รักษาศีลทําได้ดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดความหลงตัวลืมตนไม่ว่าฉันประเสริฐนะกว่าคนอื่นฉันไม่กินเหล้าฉันประเสริฐกว่าคน กินเหล้านะบางทีไปด่าคนกินเหล้าสิกนะว่าเป็นคนงโง่มีบางคนนะเห็นคนกินเหล้าในร้านอาหารก็ไปด่าวนะ่าเอขาองโง่ไม่ได้ด่าต่อนหน้าแต่ดา่าให้เพื่อนได้ยินกันในวงเสร็จแล้วไปไปมาๆกลายเป็นขี้เหล้าซะเองเริ่มตัวจากการกินเบียร์ก่อนกินเบียร์กินเบียร์รหลายขวดหลายกระป๋อง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 พลาทาเสียทีกลายเป็นคนขี้เล่าแล้วก็ตายคนเล่าอาการถือสีนี่ถ้าเราไปเราทําได้ดีแล้วเราไปถือตัวถือตนไปดูถูกคนอื่นอันนี้ก็เท่ากับว่าปล่อยให้มานะมาะนันที่เป็นกิเลส น, นะไม่ใช่ของดีเป็นความถือตัวถือตนให้มานะเข้ามาครองใจก็ะจะไม่มีความสุขนนะเพราะว่าคอยตําหนิคนโน้นคนนี้ ถือศีลแปดก็ตําหนิงคนถือศีลหหรือว่าดูถูกว่าเขาถือศีล น, น้อยกว่าเราบางคนก็รักษาศีลก็เพื่อหวังจะได้ให้คนยกย่องนับถือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมบางทีก็ต้องเพื่อที่ประกาศตัวว่าฉันเป็นคนมีศีลก็ต้องนุ่งข่าห่มเข่าถ้าใส่เสื้อสีเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนั้นก็กิเลสแล้วลน่ะนีเป็นการสร้างภาพ ถ้ายัา ง, ยางยึดติดกับภาพลักษณ์ที่กิเลสมันปรารถนาก็ถือว่ายัางไม่ปล่อยไม่วางกลับยึดติดมากขึ้นหรือว่ารักษาศีลเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นนนหรือว่าชาติห น, น้าจะได้ร่ำรวยมีผิวพรรณผ่ผองใสมีคู่ครองที่ดีอันนี้ก็ถือเป็นกิเลสทั้งนั้นนะ ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนะแต่ว่ามันได้บุญน้อยเพราะว่าไอ้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปจากกิเลสที่ที่ปล่อยให้มันเกอบกลุ่มใจแต่ว่าเป็นศิลปตะปรามาสอย่างหนึ่งศิลปตะปรามาสก็ปรามานี่แปลว่าแปดเปื้อนไม่ได้แปลว่ารูกคลำแ8เปื้อนโดยอะไรแปเปื้อนในต น, นามอนัตติทิถิถ้ามงบางคนนี่ คูบาาจารย์ทั้งกระเตือนนะถือศีล8ไปถือไปถือมากลายเป็นศีลแเพื่อนไปนะศีลแปดอริยะกับศีล8ปดเปลื่นนะี่ไม่เหมือนกันนะอากับกริยาภายนอกดูเหมือนกันนะแต่ว่าเจตนาหรือว่าจิตใจของคนถือศีลนี่บางคนถือศีลแล้วมีเจตนาที่มุ่งลดละจริงๆอันนั่นก็เป็นศีลแอริยะแต่ถ้าถือเพื่ออยากได้นู่นได้นี่ ทังรูปธรรมหรือนามธรรมรวมทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์อันนี้ ม, นมันกลายเป็นสีน8เปื้อนได้คือ8เปื้อนด้วยกิเลสแเพื้อนด้วยตัณหามาณทิติเราก็ต้องระวังถ้าเรารักษาศินแอย่างฉลาดก็จะยิ่งกิเลสก็จะยิ่งลดลงบางทีบางครถือศีน8ดโดยไม่ประกาศให้ใครรู้เลยนะไปวัดก็ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวนะแต่ว่า ข้างในใจนี่ก็ผ่องแผ้วเพราะเพราะว่าไม่ไม่ต้องการปรารถนาประกาศตัวเพราะฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนอกจากการให้ทานการรักษาศีลจะเป็นเครื่องมือในการนะชำรจจะใจให้สะอาดด้วยการปล่อยวางและภาวนาก็เช่นเดียวกันนะราวนาที่สำคัญมากเลยถ้าภาวนาเป็นนะถ้าภาวนาไม่เป็นมันก็เกิดกิเลสครอบงาใจเหมือนกัน นะเช่นไปดูถูกคนอื่นว่าไม่ภาวนาฉันภาวนานะไม่ว่าจะทําในรูปใดก็ตามจะนั่งหลับตาหรือยกมือแต่พอทันทีที่ไปดูถูกคนอื่นว่าไม่ภาวนาถ้าก็ว่าเปิดช่องให้กิเลสมันเข้ามาจู่โจมเล่นงานจิตใจแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเข้าภาวนาหรือเปล่านะถึงแม้เขาไม่ไม่ยกมือเขาไม่หลับตาเ ข, า, า, ขาอาจจะภาวนาก็ได้ เพราภาวนานมันทำได้หลายรูปแบบยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ตัวในอิริยาบถเดินไปข้างหน้าคู่เหยียดเดินไปข้างหน้าถอยหลังหรือคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีความสึกตัวประคองจิตให้มีความสึกตัวอยู่เสมอก็ภาวนาได้พูะเจ้ายัางเคยตรัสไปเลยว่าผู้ที่แม้ยืนเดินนั่งนอน แต่ทำได้มีความสติความรู้สึกตัว <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทาความเพี่ยนเ่ากิเลสไม่ใช่ว่าจะต้องมาเดินจงกรมหรืน้นั่งหลับตาอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกว่าใครภาวนาหรือเปล่าจากการเพียงแค่เห็นเขา อ, อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำในรูปแบบอย่างที่เราทำหรือบางทีภาวนาไปแก็ทำด้วยความอยากคืออยากได้นั่นอยากได้นี่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 ว่าทำไมฉันถึงคิดไม่ดีมากมายขนาดนั้นบางคนถึงกับพูดว่าทำไมพอภาวนาแล้วเนี่ยจิตมันคิดไม่ดีเยอะแยะไปหมดไปโทษภาวนานะว่าทําให้จิตคิดไม่ดีที่จริงจิตมันคิดไม่ดีมาตั้งตั้งแต่ในตะายแล้วแต่ไม่รู้ไอ้ก่อนที่ภาวนาเนี่ยจิตมันก็คิดไม่ดีเช่นโกรธเกลียดอิจฉาแต่ว่าไม่สังเกตไม่รู้ตัว แต่พอมาภาวนามาฝึกมาฝึกดูใจมันก็เห็นสิ่งที่เคยทําเป็นนิสัยแต่ไม่รู้ว่าเป็นว่าทำมาก่อนแล้วก็เสียใจไปโทษไปเนี่ยที่คิดไม่ดียแยะไปหมดเพราะภาวนาที่ยังไม่ใช่แต่ที่จริงถ้าภาวนาเป็นก็ไม่ทุกข์หรอกพราะรู้ว่าเออมันจะคิดดีคิดชั่วก็ช่างมันไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะได้ให้ฉันเป็นคนดีแต่เพื่อให้มี เพื่อให้รู้ทันให้เห็นความจริงของกายและใจแต่ถ้าเกิว่ายึดติดในความเป็นคนดีนะั้นก็จะภาวนาด้วยความทุกข์นะว่าทําไมถึงคิดไม่ดีมากมายขนาดนั้นหรืออาจจะคิดไม่ดีนิด น, ดนหน่อยหอยก็รู้สึกไม่พอใจเพราะคิดว่าเนี่ยคนดีอย่างฉันนี่ต้องคิดดีต้องคิดสะอาดไปหมดนะอันนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจความจริงของใจใจมันวิจิมเป็นอนัตตา ไม่ใช่ว่าเราจะคุมมันได้มันคิดไปได้สารพัดนักขายบ้างที่เวลาฝันนี่ฝันแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะมันก็ฝันเรื่องที่ไม่ดีฝันถึงในฝันก็อาจจะโกรธเกลียดกลัดเกลียวกับผู้คนเห็น่อแกตัวก็ไม่เห็นมีใครทุกข์อะไรเว้นแต่ว่าบางคนที่ไม่พอใจเพราะทําไมฌานเป็นคนดีแต่ในเวลาในฝันทำมันคิดไป ไล่ไลแบบนั้นคนที่ทุกเพราะความฝันแบบนั้นนี่ก็เรียกว่าโง่นะแล้วก็เป็นความโง่ที่เจอไปด้วยความยึดติดด้วยคือยึดติดในความเป็นคนดีของตัวว่าาจะต้องคิดดีเลยหมดให้เวลาภาวนาก็ลองให้ให้กลับมาดูให้ฝึกดูใจนะว่าเราทําด้วยความอยากหรือเปล่าถ้าจเจริญสติ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 แต่ว่าก็ดูมันตามที่มันเป็นการทำนี้จะช่วยทำให้ใจปล่อยวางไปด้วยในตัวพอรู้ทันล้วก็วางรู้เรวก็วางรู้เรก็วางไม่ว่าความคิดดีหรือคิดไม่ดีแต่ถ้าเจริญสติไม่เป็นมันก็ไปยึดนะความคิดดีก็ยึดความคิดไม่ดีก็ยึดถ้าน่านที่อยากจะผลักใสออกไปแต่ยิ่งผลักใสก็เท่ากับยิ่งไปยึดมันเข้าไปใหญ่ ถ้าดูให้เป็นคือดูมันเฉยๆยอมรับมันใจที่ยอมรับมันตามที่เป็นจริงนี่สำคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าทำด้วยใจที่อยากได้นะอยากได้ความสงบนะอยากได้คุณในวิเศษนี่ทุกนะมีคนหนึ่งนะไปไปบวนไปตัดพ้อหลวงพ่อเฟื่องหลวงพ่อเฟืองโชติโกท่านมารณาภาพไปแล้วผมภาวนามาต้องนาน ทำกรรมฐานมาต้องนานยังไม่เห็นได้อะไรเลยนะบ่นอย่างนี้หลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยให้ภาวนากำหรือกรรมฐานนี่เขาไม่ได้ทําเพื่อได้อลไรก็ทําทเพื่อลดละกรรมฐานที่ทําเพื่อลดเพื่อละนะั้นไม่ใช่เพื่อได้แต่นักปฏิบัติทำถ้าจับกรรมฐานไม่ถูกนะื่องเพราะวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานเนี่นั่นก็อยากได้โน่นได้นี่ เสร็จแล้วความอยากได้นั่นแหละมันก็เป็นอุปสรรคทําให้ทําด้วยความเครียดนะเสร็จแล้วก็ท้อเพราะว่าทําแล้วไม่ได้สักทีแม้กระทั่งความทรงก็ไม่ได้อันนั้นเพราะวางใจไม่เป็นถ้าเราวางใจว่ า, าทําเพื่อรู้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ผลักไสไม่ไขวอย้านะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันนะ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 พื้นที่เล็กๆขนาดอำเภอเดียวนึ ก, นกสาภาพอำเภอแกล้งครองอำเภอเดียวนี่มีคนเป็น10บสล้านมาชุมนุมมีทั้งที่มาแล้วก็ไปแล้วก็มีทั้งที่อยู่นานๆคือทํากระโจมกลางเต็นท์อยู่เฉพาะที่กลางเต็นท์นี่ประมาณหลายสิบล้านคนถึง30ล้านคนกลางเต็นท์เพื่อที่จะได้ไปชําระบาปที่แม่น้าคงคาปีที่แล้วก็จัดที่เมืองอาราบ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 เขาเคยไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะว่าอกว่าคนในในที่นั้นนี่เรียบเอือเฟื้อกันดีมากนะโอภาปาศสเห็นคนแก่ก็เรียกว่าแม่แม่แม่มาทางนี้แจแล้วก็ถามผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยตอนที่เกิดเหตุว่าเป็นเป็นยังไงอ้วคนนี่ต่างคนนี่ต่างแย่งกันเบียดเสียดกันใครต่างคนต่างก็ถือว่าฉันมีกำลังมากกว่าใครที่มีกลังน้อยกว่าก็ถูกผลักออกไป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 รู้สึกตั ว, วตัวเองเป็นนักจาริกสแสวงบุญเนี่ยก็จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวก็จะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตราบใดที่ยังมีสํานึกว่าตัวเองนี้เป็นนักจาริสแสวงบุญแต่พอสํานึกตรงนี้หมดไปเช่นพิธีเลิกกลับบ้านนี้สํานึกว่าฉันเป็นนักจาริกสแสวงบุญมันจบไปแล้ะเกิดสํานึกตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่คือฉันเป็น ผู้โดยสารพอนึกว่าฉันเป็นผููโดยสารเนี่ยก็จะต้องหาทางกลับบ้านในเร็วที่สุดแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งที่จะต้องแย่งชิงแย่งจริงพื้นที่แย่งชิงเก้าอี้แย่งชิงตัว๋วแย่งชิงบัตรมันก็เลยเบียดเสียดเย่กันเยอะกันตายจากคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมผู้จะเล็กแสวงบุญนี่กลายเป็นฆาตกรโดยไม่รู้ตัวได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่า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 ปฏิบัติธรรมต้องนานทำไมถึงยังยังแพ้แ พ, พ้ต่อกิเลสตัวเดิมๆอยู่ฉะนั้นเพราะไม่ได้ขัดเกลากิจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลองพิจารณาดูนะว่าการปฏิบัติธรรมของเราการทําความดีของเราไม่ว่าจะเป็นทานสิ่งภาวนานี่มันเป็นไปเพื่อการลดกัดละเพื่อการขัดเกลาเพื่อการปล่อยวางอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือทําเพื่อจะเอาโน่นเอานี้ถ้าทําอย่างลังมันก็ไม่ได้ช่วยสําระใจให้สะอาดหรือ สงบเย็นโปร่งเบาเท่าไหร่ช้อนนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับค